ความงมงายในการเชื่อเรื่องวิญญาณในหนังสือพิมพ์ดาวสยามซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์รายวันฉบับวันที่27มีนาคม2516ได้ลงข่าวพาดหัวว่า นักวิทยาศาสตร์ค้นพบวิธีติดต่อกับวิญญาณสำเร็จอัดเทปคำพูดคนตายไว้ได้และในฉบับต่อมาคือวันที่28ก็มีข่าวพาดหัวอีกว่าพบเสียงจากวิญญาณในดาวเทียมข่าวนี้ได้ก่อให้เกิดความตื่นเต้นในวงการวิทยาศาสตร์ทั่วไปและตามข่าวที่ปรากฏก็แสดงให้เห็นว่าเขาได้ศึกษาค้นควา้าเรื่องนี้มานานนับเป็น 10, 10ปีแล้ว ข่าวนี้เมื่อข้าพเจ้าอ่านและไม่รู้สึกตื่นเต้นอะไรเลยเพราะรู้อยู่ว่าเรื่องทำนองอย่างนี้สักวันหนึ่งจะต้องเป็นไปได้แต่ที่น่าประหลาดก็คือไม่ว่าที่ไหนในกลุ่มของผู้ที่สนใจในเรื่องการติดต่อวิญญาณจะสนใจอยู่แต่ในเรื่องที่เกี่ยวกับประโยชน์ของตนเท่าที่เห็นได้ง่ายเท่านั้นความเห็นแก่ตัวความโลภความอ่อนแอความงมงาย ซึ่งมีเป็นพื้นฐานอยู่ก่อนแล้วในสันดานของคนทั่วไปอันนี้ทำให้ผู้ที่สนใจในทางนี้แทนที่จะไปสนใจในจุดที่ถูกต้องและมีประโยชน์อย่างแท้จริงพร้อมกับจะทำให้ปัญหาต่างๆที่สงสัยค่อยๆหมดไปกลับไปสนใจในจุดที่จะสร้างปัญหาให้แก่ตัวเองไม่มีวันสิ้นสุดและในเมื่อสงสัยมากๆหาทางตอบปัญหาไม่ได้ก็เลยเกิดความลังเลไม่แน่ใจว่า สิ่งเหล่าเนี้จะมีจริงซึ่งหารู้ไม่ว่าการไม่ยอมรับว่าคนเราตายแล้วจะต้องเกิดอีกชีวิตหลังจากตายซึ่งเรียกว่าโอปปาติกะมีจริงนั้นการไม่เชื่อในเรื่องเหล่านี้ได้เป็นอันตรายต่อมนุษยชาติอย่างใหญ่หลวงและเรื่องเหล่านี้ถ้าศึกษาให้ถูกทางแล้วก็เป็นเรื่องที่เข้าใจง่ายมากไม่ต้องไปติดต่อสำนักทรงที่ไหน ก็สามารถที่จะเข้าใจได้ด้วยตัวเองเพราะข้อเท็จจริงที่จะพิสูจน์ถึงเรื่องนี้มีอยู่พร้อมที่ตัวเองขอให้พยายามอ่านข้อเท็จจริงให้ออกเท่านั้นเราก็จะเกิดความสว่างเชื่อได้อย่างสนิทว่าคนเราตายแล้วไม่สูญตายแล้วก็ยังมีชีวิตอยู่ซึ่งถึงแม้จะอยู่ในรูปของโอปปาติกะแต่มันก็เป็นชีวิตจริงๆประเภทหนึ่งเหมือนกับคนเรานี่เอง หากเราพยายามศึกษาจะข้อเท็จจริงและจากหลักฐานในคำพีให้หมดข้อสงสัยในเรื่องเหล่านี้เสียก่อนความงมงายก็จะไม่เกิดขึ้นต่อเมื่อมีเวลาจึงค่อยศึกษาในรายละเอียดแต่นั่นย่อมหมายถึงว่าเราต้องมีพื้นพอที่จะศึกษาและวินิจฉัยเรื่องเหล่านี้ได้ว่าเรื่องไหนจริงเรื่องไหนไม่จริงเรื่องไหนเป็นไปได้เรื่องไหนเป็นไปไม่ได้ แต่เท่าที่สังเกตจากบรรดาผู้ที่สนใจในเรื่องเหล่านี้ทั้งที่บางคนก็เป็นผู้ที่ได้รับการศึกษามาดีบางคนก็เป็นนักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงเสียด้วยซ้ำแต่แล้วกลับสนใจไม่ถูกทางอันนี้แหละที่ทำให้ข้าพเจ้าเป็นห่วงอยู่ทุกวันนี้เกรงว่าจะพากันเข้ารบเข้าพงตะเิอดออกนอกทางไปกันใหญ่ข้าพเจ้าคิดว่าภุทธพดังต่อไปนี้อาจจะเป็นเครื่องเตือนสติได้เป็นอย่างดี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 ย่อมไม่พ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้ส่วนคนใดเข้าถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงสาวกแล้วถือเอาเป็นที่พึ่งและเห็นแจ้งซึ่งอริยสัจ ส, สี่ด้วยความเข้าใจอันถูกต้องกล่าวคือเห็นแจ้งซึ่งทุกข์เหตุที่ทำให้เกิดทุกข์ความดับทุกข์และอริยามรรคมีองค์8ปอันเป็นทางให้ถึงซึ่งความดับทุกข์สิ่งนิราเป็นที่พึ่งอันเกษมเป็นที่พึ่งอันสูงสุด เพราะคนใดได้อาศัยสิ่งนี้เป็นที่พึ่งแล้วยอมพ้นจากทุก์ทั้งปวงได้และอีกแห่งหนึ่งพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ในอปันนกสูตรพระไตรปิฎกเล่มที่13หน้า 101-102 ถึงว่าดูก่อนขะหะบดีทั้งหลายมีอยู่สมณพราหมณ์บางพวกมีวาทะอย่างนี้ มีทิฏฐิอย่างนี้ว่า 1. การให้ทานไม่มีผล 2. การบูชาไม่มีผล 3. การเคารพนับถือไม่มีผล 4. ผลและวิบากของกรรมดีกรรมชั่วไม่มี 5. โลกนี้ไม่มีคือเห็นว่าสัตว์ในโลกอื่นมาเกิดในโลกนี้ไม่ได้เพราะตายแล้วสูญ 6. โลกอื่นไม่มีคือเห็นว่าสัตว์ในโลกนี้ไปเกิดในโลกอื่นไม่ได้เพราะตายแล้วสูญ 7. คุณของมารดาไม่มี 8. คุณของบิดาไม่มี 9. พวกโอปปปาติกะไม่มีคือเห็นว่าพวกผีและเทวดาไม่มี 10. สมณพราหมณ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบได้บรรลุธรรมอันชอบคือบรรลุอภิญยามรผลละนิพพานกระทำให้แจ้งด้วยตนเองซึ่งโลกนี้และโลกหน้าด้วยอภิญยาแล้วสอนให้ผู้อื่นรู้ได้ด้วยไม่มี คือเห็นว่าผู้หมดกิเลสเป็นพระอระหันต์ไม่มีหรือผู้ที่สำเร็จอภินยาสามารถที่จะรู้เรื่องนรกสวรรค์และสามารถที่จะมีหูทิพตาทิพเห็นเจรจาติดต่อกับโอปปปาติกะได้และมีอิทธิปาฏิหาริย์อื่นๆ อ, อีกไม่มีเพราะผิดวิสัยธรรมชาติดูก่อนท่านขหบดีทั้งหลายสมณพราหม์เหล่าใด มีวาทะอย่างนี้มีความเห็นอย่างนี้สมณพราหมณ์เหล่านั้นเป็นอันหวังได้ว่าจะต้องเบื่อหน่ายในกุศลธรรมสามคือกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตและยึดถือปฏิบัติอยู่แต่ในอกุศลธรรมสคือกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตข้อนั้นเป็นเพราะเหตุไร ก็เพราะสมณะพราหมณ์ผ hmm. <ra> ู้เจริญเหล่านั้นไม่เห็นโทษไม่เห็นความต่ำซามไม่เห็นความเศร้าหมองของกุศลธรรมทั้งหลายไม่เห็นคุณค่าแห่งความบริสุทธิ์ของกุศลธรรมทั้งหลายก็ปรโลกมีอยู่แท้ๆเขากลับมีความเห็นว่าปรโลกไม่มีฉะนั้นความเห็นของเขาจึงจัดเป็นมิจฉาทิฏฐิความคิดของเขา ก็จัดเป็นมิจฉาสังกัปปะก็ปรโลกมีอยู่แท้แต่เขากลับพูดว่าปรโลกไม่มีฉะนั้นคําพูดของเขาจึงเป็นมิจฉาวาจาอันหนึ่งพระอรหันต์ทั้งหลายย่อมรู้อยู่แก่ใจว่าปรโลกมีอยู่ฉะนั้นผู้ที่ถือว่าปรโลกไม่มีจึงได้ชื่อว่า เป็นปฏิปักษต่อพระอาหารหันต์ทั้งหลายอีกด้วยในเมื่อตอนเองถือเช่นนั้นและสอนให้คนอื่นเชื่อตามจึงได้ชื่อว่าเป็นผู้ประกาศอสัตรธรรมและด้วยอาสัตรธรรมที่ตนเองประกาศออกมาเช่นนั้นย่อมจะเป็นเหตุให้ยกตนข่มคนอื่นอีกด้วยอาสัตธรรมไม่คงทนต่อการพิสูจน์และผู้ประกาศอสัตธ ร, รรมใจย่อมไม่สูงฉะนั้นเมื่อถูกขัดค้าน ก็มักจะใช้วิธีข่มผู้อื่นเพื่อเอาชนะและย่อมละศีลได้ง่ายประพฤติอยู่แต่ในทางทุศีลดูก่อนขหาบดีทั้งหลายเพราะอาศัยมิจฉาทิฐิเป็นปัจจัยย่อมก่อให้เกิดอกุศลละธรรมไม่น้อยทีเดียวอันหนึ่งในเรื่องปรโลกนี้ ท่านขาหาบดีทั้งหลายสำหรับคนที่ฉลาดทั้งหลายเขายอมคิดว่าถ้าหากปรโลกไม่มีคนที่ทำบาปไว้ก็นับว่าปลอดภัยไปแต่ถ้าหากปรโลกมีจริงคนที่ทำบาปไว้ตายไปแล้วก็จะเข้าถึงอบายทุคติวินิบาตนรกหรือถึงแม้จะไม่พูดถึงเรื่องปรโลกแต่คนที่มีความเห็นผิดเป็นผู้ทุศีล ก็ย่อมจะถูกวินอยู่ชนติเตียนในโลกนี้เองเพราะฉะนั้นคนที่มีความเห็นผิดจึงต้องประสบผลร้ายถึงสองทางคือถูกติเตียนในโลกนี้เมื่อตายไปแล้วก็จะเข้าถึงอบายทุขติวินิบาตและนรกอีกด้วย ทพ์ทั้งสองแห่งนี้ขอให้อ่านหรือฟังโดยละเอียดซ้ำๆหลายๆครั้งแล้วท่านจะจับประเด็นที่สำคัญในการศึกษาค้นคว้าเรื่องนี้ได้ถูกต้องพร้อมทั้งจะมองเห็นความจำเป็นที่เราจะต้องเชื่อว่าโอปปปาติกะมีจริงซึ่งต้องเป็นความเชื่อที่ปราศจากข้อสงสัยใดๆและต้องเป็นความเชื่อด้วยความเข้าใจด้วยซึ่งวิธีที่จะศึกษาเรื่องนี้ให้เข้าใจอย่างแจ่มแจ้งนั้นมีรายละเอียดอยู่ในหนังสือเรื่อง ผีและเทวดามีจริงและอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องสู่แสงสว่างซึ่งหนังสือทั้งสองเล่มนี้ได้เขียนมานานแล้วแต่อย่างไรก็ดีข้าพเจ้าขอย้ำอีกครั้งว่าจุดประสงค์ที่สาคัญที่สุดที่เราต้องศึกษาเรื่องนี้ก็เพื่อต้องการให้รู้แน่ว่าตัวเราเป็นผลที่เกิดมาจากวิญญาณของเราซึ่งวิญญาณส่วนนี้หมายถึงจิตไร้สานึกหรือเป็นจิตที่เป็นวิบาก หรือพูดอีกในหนึ่งตัวเราเป็นผลที่เกิดมาจากกรรมของเราเองดังที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าเรามีกรรมเป็นของตนเราเป็นทายาทของกรรมเรามีกรรมเป็นผู้ให้กาเนิดเรามีกรรมเป็นพวกพ้องเรามีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยเราทำกรรมอันใดไว้ซึ่งจะเป็นกรรมดีหรือกรรมชั่วก็ตามเราจักต้องได้รับผลแห่งกรรมอันนั้นแน่ การที่เราจะศึกษาให้เข้าใจถึงเรื่องวิญญาณเป็นผู้สร้างชีวิตหรือเรื่องกรรมเป็นผู้สร้างชีวิตนี้ไม่มีวิธีไหนที่จะทำให้เราเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งเท่ากับเรายอมรับว่าคนเราตายแล้วจะต้องเกิดอีกและมีชีวิตที่จะเกิดทันทีในขณะที่กำลังจะตายก็คือชีวิตที่เรียกว่าโอปปาติกา ขอให้ท่านสังเกตดูจากพุทธพจน์ในเรื่องอัปปันนกัสสูตรแล้วท่านจะเห็นว่าการไม่เชื่อว่าโอปปาติกะมีเป็นมิจฉาทิฐิที่ร้ายแรงเพียงไรตามหลักในคำพีกล่าวว่าคนที่มีมิจฉาทิฐิทั้งสิบอย่างและถอนออกไม่ได้นั้นก็เป็นการแน่นอนว่าจะไม่สามารถไปสวรรค์ได้และจะบรรลุถึงนิพพานก็ไม่ได้ ซึ่งก็หมายความว่าคนที่มีมิจฉาทิฏฐิอย่างนี้เมื่อตายแล้วก็ต้องมีคติอยู่อย่างเดียวคือจะต้องไปเกิดในอบายภูมิและถ้าหากคนไหนตายแล้วจะต้องไปเกิดในอบายภูมิก็หมายถึงว่าในขณะที่เขายังมีชีวิตอยู่ในโลกนี้แม้จะมีเงินมีความรู้มีอํานาจสักเพียงไรจิตใจของเขาก็อยู่ในนรกแล้วหรือไม่ก็เป็นเปรต เป็นอสุรกายเป็นสัตยรชานอย่างใดอย่างหนึ่งแน่นอนจงคิดดูง่ายๆว่าคนที่ไม่ยอมรับว่าพ่อแม่มีคุณเป็นคนอกตันยูไม่รู้จักบุญคุณของพ่อแม่เป็นคนที่ไม่เห็นคุณงามความดีแม้กระทั่งของครูอาจารย์หรือของผู้หลักผู้ใหญ่นั้นจิตใจย่อมร้ายกาจเพียงไร จริงอยู่บางคนเป็นคนกระตันอยู่รู้จักคุณของคนอื่นมีความเคารพอ่อนน้อมต่อบุคคลที่ควรเคารพรู้จักบูชาคนที่ควรบูชามีนิสัยเสียสละเป็นคนดีแต่ในใจไม่เชื่อว่าคนเราตายแล้วจะเกิดอีกไม่เชื่อว่าผู้ที่มีหูทิพตาทิพมีอย่างนี้เป็นต้นการเป็นคนดีแต่ในเพียงบางส่วน แต่ส่วนใหญ่ของจิตใจยังมีความมืดเพราะโมหะหรือมิจฉาทิฐินั้นจิตใจย่อมจะมีความสุขอย่างแท้จริงไม่ได้เพราะคนประเภทนี้จะต้องเป็นคนที่ยึดมั่นในเรื่องวัตถุเมื่อยึดมั่นในเรื่องวัตถุความเป็นห่วงตัวเองความห่วงเกี่ยวกับเรื่องทรัพ์สมบัติก็จะต้องมีซึ่งโดยปกติแม้คนที่เชื่อในเรื่องบุญเรื่องบาปก็ยังอดมีไม่ได้ แล้วคนประเภทนี้เขาจะมีมากขึ้นสักเพียงไรเพราะฉะนั้นจึงเป็นไปไม่ได้ที่คนผู้ไม่เชื่อในเรื่องตายแล้วเกิดไม่เชื่อในเรื่องโอปปปาติกะจะมีความสุขอย่างแท้จริงการศึกษาให้รู้แจ้งว่าตัวเราเป็นผลที่เกิดมาจากวิญญาณและรู้ซึ้งถึงกับสรุปได้ว่าทุกอย่างเกิดมาจากใจ สำคัญที่ใจจุดนี้แหละที่จะทำให้เรารู้จักแก้ปัญหาได้ทุกอย่างและแม้แต่ปัญหาที่เราแก้ไม่ได้เช่นความแก่ความเจ็บความตายแต่ถ้าเราแก้ไขที่ใจของตัวเองให้มีความเข้าใจอันถูกต้องสร้างจิตใจให้สูงด้วยคุณธรรมต่างๆปัญหาที่ว่าแก้ไขไม่ได้นั้นก็จะแก้ไขได้โดยไม่ยาก ข้าพเจ้าใครที่จะขอเตือนผู้ที่สนใจในเรื่องการติดต่อวิญญาณถ้าหากไม่มีความรู้ดังที่กล่าวมานี้อย่างแจ่มแจ้งแล้ว mm. ก็เป็นการแน่นอนว่าจะต้องมีความงมงายหรือไม่ก็ถูกคนอื่นเขาหลอกไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งแน่นอนที่สุดซึ่งจะสังเกตได้ว่าคนเหล่านี้มักจะสนใจและยอมเชื่อก็ต่อเมื่อต้องได้เห็นข้อพิสูจน์ในทํานองที่เป็นปาฏิหาร หรือต้องสามารถสนองความต้องการของตัวเองได้เช่นสามารถรักษาโรคให้หายได้ทํานายโชคชะตาได้ช่วยสะเดะาะเคราะห์ได้หรือช่วยคุ้มกันพยานตรายต่างๆได้อย่างนี้เป็นต้นส่วนผู้ที่สนใจในเรื่องนี้และมุงเข้าสู่การปฏิบัติธรรมเพื่อแก้ไขจิตใจของตัวเองบุคคลประเภทนี้มีน้อยที่สุด ขอให้ย้อนไปนึกถึงพุทธพจน์บทแรกที่ตรัสว่ามนุษย์ส่วนมากในเมื่อถูกภัยคุกคามก็มักพากันไปยึดถือเอาภูเขาป่าไม้อารามหรือรุกขเจดี JD, เป็นที่พึ่งครั้นแล้วพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ที่พึ่งอันกเกษมคือไม่ใช่ที่พึ่งอันปลอดภยัยไม่ใช่ที่พึ่งอันสูงสุด ส่วนคนที่ยึดถือพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งและเห็นแจ้งอริยสัจสี่ด้วยความเข้าใจอันถูกต้องย่อมพ้นจากทุกทั้งปวงได้การรู้แจ้งอริยสัจจุดที่สำคัญจุดหนึ่งก็คือการรู้แจ้งว่าถ้ายังมีตัณหาอยู่ในสันดานตายแล้วจะต้องเกิดอีกหรือพูดง่ายๆว่า ถ้าเรายังรักชีวิตยังต้องการที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไปชีวิตจะไม่มีวันสู์เพราะชีวิตเกิดจากความต้องการของเราเองก่อนที่เราจะรู้ว่าตัณหาเป็นเหตุทำให้เกิดทุกข์อย่างไรนั้นจะต้องเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งเสียก่อนว่าตัณหาคือตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดอีกและนิยมหมายถึงว่า ความสงสัยในเรื่องตายแล้วจะเกิดอีกหรือไม่นั้นไม่มีเหลืออยู่ในจิตใจแล้วตรงกันข้ามความรู้สึกที่มีอยู่ตลอดเวลาเป็นความรู้สึกประทับใจก็คือเราจะหนีคนอื่นหรือหนีเหตุการณ์อย่างอื่นเราอาจจะหนีได้แต่หนีตัวเองหนีไม่พ้นเพราะฉะนั้นกรรมใดที่เราได้ทําเอาไว้ซึ่งจะต้องมีวิบากเกิดขึ้นในสันดาน วิบากนี้ไม่มีวันศูน์ไปได้ง่ายๆมันจะต้องให้ผลไม่วันใดก็วันหนึ่งอย่างแน่นอนคนที่รู้สึกอย่างนี้เท่านั้นจึงจะเรียกได้ว่าเขาเริ่มจะเข้าใจเรื่องอริยสัจเพราะฉะนั้นสำหรับคนที่ยังสงสัยว่าชาติหน้าจะมีจริงหรือไม่นั้นแปลว่าเขายังอยู่ห่างไกลาจากการรู้แจ้งอริยสัจ และถ้ายังไม่รู้แจ้งอริยสัจย be ังไม่ร <bas> ู้สึกว่าตัณหาคือต้นเหตุแห่งความทุกข์ยังไม่คิดที่จะกล่อมกล่าวตัณหาของตัวเองให้ดีขึ้นก็พูดได้เลยว่าเขาไม่มีทางที่จะพ้นทุกข์ได้เลยและวิธีที่จะทําให้เรายอมรับว่าตัณหาทําให้เกิดอีกนั้นก็มีอยู่วิธีเดียวที่จะทําให้เราหมดข้อสงสัยใดๆคือ การหาวิธีทำให้คนทั้งหลายเห็นแจ้งว่าคนเราเมื่อตายแล้วต้องเกิดเป็นโอปปาติกะแน่การเข้าใจเรื่องโอปปาติกะอย่างแจ่มแจ้งถูกต้องตามหลักที่พระพุทธเจ้าได้สอนเอาไว้นี่คือความรู้ขั้นพื้นฐานที่จะนำไปสู่การรู้แจ้งอริยสัจได้ในที่สุด ถ้าพระเจ้าได้พยายามพูดเน้นถึงเรื่องเหล่านี้บ่อยครั้งที่สุดแต่แล้วก็สังเกตเห็นได้ชัดเสมอว่าในบรรดาบุคคลที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องการติดต่อวิญญาณนั้นมีน้อยคนมากที่สนใจจะเรียนรู้เรื่องชีวิตของตัวเองดังที่กล่าวมานี่แหละคือความเป็นห่วงที่เกรงว่าคนที่สนใจในเรื่องเหล่านี้จะเตลิดออกนอกทาง และสร้างความสับสนความมืดมัวให้เกิดขึ้นแก่คนที่จะศึกษาเรื่องวิญญาณดังที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันนี้ดังนนน่นนรจรรก เป็นใครในนั้นจนลืมว่าเธอเป็นคนอีกคนเรื่องราวทั้งในความฝันอาจเรียงร้อยกันจนดูสับซอนแต่ความจริงมันคือผลถ้าจากใจเธอที่แท้จริง รู้สึกย่างไรปรากฏความจริงขึ้นมาไม่ใช่แค่เพียงภาพลวงตาอย่างนี้ทุกสุขใจสุขกายเหมือนกันแม้ในความฝันแลรบสวรรค์ที่ใจอยู่ที่ไหนไม่ไก ล, ลกไกลเธอ ก็ได้เจอแต่ทุกครั้งเธอไม่สันใจเองทุกวันที่เธอไร้ร่างกายจะสุกท้ายาเธอเหลือแค่เพียงใจให้ลองคิดเธอจะไปไหนให้เบียดคล้ายเทียบตอนหลับฝันร่างหนึ่งเธอนอนหลับไหลก็บอีกร่างกายที่ในความ สกายเหมือนกินแม้ในความฝันโลกสวรรค์ของใครอยู่ที่ใจต่างกันเหมือนฝันไปเป็นเรื่องเป็นราวมากมายจะดีร้ายงดยากน่ากลัว